เปนโลกลักทั้งหลายสำหรับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายความจริงเรามาอยู่กันที่นี่เวลาผ่านไปสามชั่วโมงเสร็จแล้ว <c oughs> อาศัยการหาอาหารบริโภคกันบ้างนั่งคุยกันเรื่องอื่นบ้างแล้วก็มาตอนท้ายลกูกโกก็ยกภาระให้กับพอ่อ ให้พ่อคุยให้ลูกฟังความจริงเรื่องของพ่อนะลูกรักมันเป็นเรื่องของคนแก่ที่คนหนุ่มคนสาวเขาฟังกันยากอยู่สักหน่อยท่นี้พ่อก็ไม่ได้ตำหนิคนหนุ่มคนสาวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อสมัยพ่อยังเป็นหนุ่มอยู่ก็มีความเห็นไม่ตรงกับคนแก่เหมือนกัน มาแต่ว่าเวลานี้ก็มีความรู้สึกว่าคนแก่นี่ท่านพูดถูกแต่ว่าแก่ก็มีแก่หลายอย่างเหมือนกันแก่ฟักแก่แฟนแก่แต่งแก่น้ําเตา้าแก่พวกนี้ไม่ได้ความมันต้องแก่ประเภทใช้สติปัญญาพ่อเองก็เป็นคนอ่อนและปัญญาเหมือนกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ไปด้วยปัญญาแต่ก็อาศัยสัญญาที่จำมาได้สัญญาเวลานี้มันก็ใช่จะผุผุไปเหมือนกันแล้วก็มีปัญญาอยู่บ้างผสมมาเสกันถ้าจะเทียบกับปัญญาของมัณฑิพ่อมีความรู้สึกว่าปัญญาของพ่อหรือว่าสัญญาของพ่อ ไม่ในหนึ่งในหลายสิบล้านในปัญญาของบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ผู้หมายถึงพระอระหันต์ที่ได้ปฏิสัมมิทายาณ <c oughs> ยกเว้นองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียแล้วไม่มีบุคคลใดมีไม่มีบุคล <c oughs> บคลประเภทใดจะมีปัญญาเสมอเหมือนอรหรรันต์ปฏิสัมมิทายาณต้องวองเล็บนะลรกนะ องค์เล็บบุญยกเว้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชั่วโมสุดท้ายนี้รู้สึกว่าจะเป็นชั่วโมเศร้าๆสักนิดหนึงนะทนนี้เพราะอะไรเพราะว่าพ่อจะเอาเรื่องเก่าๆมาพูดให้ฟังแต่ก่อนที่จะนําเรื่องเก่ามาพูดให้ลูกฟังนี่ขอลูกจงนํา เอาพระบรมลาโชว์บายของพระบาทสมเด็จ เ, เจ้าอยู่หัวราชการที่เก้าซึ่งทรงไต่ ก, กับพ่อมาวันที่15กุมภาพัน 2,522 ที่ภูพิงพระราชนิเวศพระบรมลาโชว์บายนี้รู้สึกว่าสละสลวยมากลูกคิดไหมว่าถ้าลูกได้เป็นพระมหากษัตริย์ <c oughs> แล้วก็มีงานหนักเครียดเพื่อหวังความอยู่รอดของปวงชนชาวไทยและก็ต้องการให้ทุกคนมีความสุขพระราชภารกิจในฐานะพระมหากษัตริย์ก็หนักยังจะแถมวางแผนเพื่อความสุขกับประชาชนทั้งชาติ <c oughs> ถ้าใดจะดูตามหมายกำหนดการแต่ละวันแต่ละวันก็อย่ารู้สึกว่าแต่คนอื่นนะพ่อไม่รู้นะตามความรู้สึกของพ่อพ่อคิดว่าสมองพ่อโผแน่เวลานี้รู้แล้วมาตอนเด็กๆอยากจะเป็นพระเจ้าแดินกับเขาเหมือนกันเห็นเขาเป็นนายทหารผู้ใหญ่ก็อยากจะเป็นนายทหารใหญ่นายทหารใหญ่ประเภทนั่งโต๊ะไม่ชอบ คือว่าไม่ใช่ไม่ชอบคนอื่นนะตัวเองไม่ชอบคิดว่าถ้าใดเป็นนายทหารใหญ่เราจะนำกำลังทาหารไปฝึกที่นั่นไปซ้อมที่นี่ทำอย่างนั้นวางแผนที่นี่ตอนเด็กๆอายุสี่ห้าปีพ่อยังจำได้พอเกิดมาระยะนั้นจนกระทั่งถึงอายุส7บเจปีเรื่องการวางแผนรบนี่วางมาตลอดและก็ไม่รู้จะรบกับใคร เลยรบกับพวกเด็กๆ ด, ด้วยกันในฐานะที่หากว่ากองทัพเขาเรียกว่าแม่ทัพแต่พ่อเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กหัวโจกถ้ารู้สึกว่ากลุ่มเด็กที่มีเพื่อน ด, ด้วยกันประมาณสิบคนเศษหายเงียบเข้าไปไม่มีเสียงเอะอะโวยวายผู้ใหญ่ก็เดาได้แล้วบอกว่าจะมองนั่นมันคงไปวางแผนการรบอีกแล้วดูที่มันจะรบท่าไหน วางแผงข้าศึกมีกําลังมากกว่าเรามีกําลังน้อยกว่าเราจะลวงข้าศึกด้วยวิธีไหนเระจะตีข้าศึกด้วยวิธีไหนทํายังไงจึงยาวชนะข้าศึกนอกใจใช้กําลังแล้วก็ใช้จิตติวิทยาให้ข้าศึกหลงกลเล่นมันทรงเดชไปตามประสาเด็กสนแต่ว่าตอนนี้ก็กลายมาเป็นทหารขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกองทัพธรรม ก็ดีเหมือนกันรบกับสิ่งที่มองไม่เห็นตัวคืออารมณ์ของจิตเขาไปรบมาพาะคิดว่าพ่อแพ้นะลูกนะพ่อคิดว่าพ่อไม่ชนะตั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่ากิเลสมีกำลังมากเหลือเกินลูกที่แต่เขียนเป็นคำพังเพยไ้ว่ากิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดนะ ความจริงเพราะว่าต่อศูนย์ใส่ห้าสิบศูนย์ท่อยอมแพ้กิเลสกำลังใจของพ่อนับตั้งแต่อายุยี่สิบห้าปีเป็นต้นมามองเห็นหน้ากิเลสมันสลอนหมดเห็นกิเลสมันก็ยักร้ายลุกรักโลภความโลภราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลง <c oughs> มองดูแล้วมันเหมือนกับไฟเผาผลาญดูแล้วคล้ายหน้ากุมพกันที่แยกเขี้ยวเขาใส่ใคล้ายจะกัดอาศัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสูตสวัสดิสภาคเปลี่ยนใจพ่อพ่อก็เลยยอมแพ้กิเลสทึ่แในตอนนั้นเป็นความรู้สึกอย่างเดียวว่ากิเลสที่เราไม่สู้ ยอมแพ้ราบคาบดีกว่าต่อสู้กับกิเลสใม้คิดแพ้แต่นเนื้อแท้จริงๆมันยังไม่ค่อยจะแพ้เมืองดีเผลอไปหน่อยชักจะเริ่มชนะกิเลสคิดว่าชนะแต่ความจริงจะเข้าไปเป็นท่าของกิเลสเวลานี้พ่อแก่แล้วลูกรักอายุหกสิบปีเศษพ่อไม่สู้กิเลสแล้ว อยอมกลัวกิเลสฉะนั้นพบในที่มีกิเลสสิงอยู่แม้จะมีปริมาณน้อยอย่างพรหมโลกก็ดีพ่อคิดว่าพรหมอยากอยู่ที่นั่นสิ่งที่อยากจะไปก็คือพระนิพพานแต่หนทางพระนิพพานใกล้หรือไกลยอยู่ที่ไหนจะรู้ได้อย่างไงนั่นว่ากันทีหลัง อาศัยการตายครั้งที่สามของพ่อเป็นปัจจัยสร้างความสุขใจให้แก่พ่อพ่อมีความรู้สึกว่าเรายอมแพ้กิเลสดีกว่าไปพูดชนะคิดจะเอาชนะกิเลสมีธียอมแพ้ก็คือหลบไม่ยอมพบหน้ากับกิเลสกิเลสนี่เราฆ่าไม่ตายแต่ว่าเราจะต้องเอาใจของเราหลบกิเลสไม่พ้น วิธีหลบกิเลสยังไงก็ต้องหวนเข้ามาหาพระบรมราชโชบาย <c oughs> ขอพระ บ, บาทสมเด็ดจพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสเมื่อวันที่ยี่ิบห้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อย้ี่สิบสองพ่อย้บ่อยๆนะอย่าเพื่อํำคาญนะคนที่เป็นพระเจ้าแผ่นดิ น, นหาเวลายากแต่พ่อก็รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นอัริยะ เวลานี้มีคาราชการผู้ใหญ่ส่วนมากท่านก็หันก็มาเล่นโดยวิธีหาทางแพ้กิเลสที่ว่าเราถือว่าเราแพ้กิเลสแพ้เป็นพระชนะเป็นครูถ้าว่าอย่างนั้นคำว่าแพ้เป็นพระหมายความเราไม่ยอมพบหน้ากต่กิเลสเลยความยุ่งว่าวุ่นวายใจมันก็ไม่มี นี่การที่เราจะยอมแพ้กิเลสได้ก็ต้องหาวิธีเบื้องต้นวิธีเบื้องต้นของพ่อที่พ่อคิดขึ้นมาได้ก็ดีศึกษาจากครูสอนก็ดีใช้ตามตำรายก็ดีรู้สึกว่ามันพอจะคลานต้มเต็มไปได้แต่ไม่แนบเนียนนัก แต่ว่ารมราชโชงบาลของพระบาทสมเด็จเจ้าอยูหนี่ทรงตัดออกมาพ่อรู้สึกว่าแนบเนียนดีจริงๆนีนนะ่ไม่ได้ยกพระใจหัวนะไม่ได้ยกย่องอะไรดีก็ว่ากันดีอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ต้องว่าไม่ดีพูดกันตรงไปตรงมาแต่เรื่องที่ไม่ดีของพระองค์พ่อไม่ทราบ ดีหรือไม่ดีจะรู้ได้หรือไม่ได้ต้องอยู่ใกล้จึงจะรู้ถ้าอยู่ไกลจะไปนั่งตำหนิใครให้ดูมันก็ไม่ควรท่านว่าอย่างนี้ท่านทรงตรัสแนะนำกับปิยสหายของท่านหรือเรียกว่าพระสหาย <c oughs> พระสหายหรือวิชีสหายก็มั่งก็ไม่ทราบท่านบอกว่าท่านมีเพื่อนร่วมปฏิบัติกรรมฐานอยู่ดีกันผู้หญิง ห้าผชายห้าเป็นสิบจะเป็นใครบ้างพ่อไม่รู้ทรงแนะนำวิธีที่ปฏิบัติเพื่อสมาธิจิตเราให้ทำจิตเหมือนก็อยู่ในห้องเงียบอของท่านดีมากลูกรักทรงเปรียบเทียบว่าห้องเล็กๆอย่างฝรั่งเขารับแขก แทบประมาณห้าสิบคนมึงก็พูดอย่างนี้กูก็พูดอย่างนั้นมึงวางนู่นกูโยนนี่มึงกินเหล้ากูกินขนมเล่ากันเ อ, อะอะวุ่นวา ย, วายถ้าจะบังเอิญจะมีใครเข้ามาสมมติว่ามีแจกันพระองค์ทรงชี้ไปที่แจกันสมมติว่ามีแจกันอยู่ใครจะมาหยิบอะไรไปมันก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะความวุ่นวายในห้องมันมีมาก แต่ได้ว่าตาห้องนั้นสงัดอยู่เงียบเงียบเมื่ออยู่คนเดียวทุกคนไม่วุ่นวายใช้สายตามองไป ร, บรอบห้องสังเกตใครจะเข้าใครจะออกอย่างนี้ถ้าบังเอิญศัตรูคูแ่แคนงหรือว่าขโมยจะเข้ามาหยิบของอะไรก็ทราบได้ทันที <c oughs> ข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระองค์ทรงตรัสว่าก็เหมือนกับจิตของเราถ้าเราไม่รวบรวมกาลังใจให้เป็นสมาธิคําว่าสมาธินี่ลูกรักคือป่าปการตั้งใจเอาใจไปตั้งไว้ในรมอย่งางใดอย่างหนึ่งโดยไม่สนใจอะไรอย่างอื่นภายนอกเลย <c oughs> เหมือนกับที่ลูกกําลังฟังเสียงของพ่อนี่ ถ้าพ่อจะเดาเนะลูกของพ่อทุกคนตั้งใจฟังบางคนถึงเอาเครื่องมาทึกเสียงมาวางไว้เกรงว่าเสียงข้อจะหายไปนี่ก็เป็นความดีของลูกความดี น, นี้เป็นเครื่องมาทักใจพ่อพ่อไม่เหนื่อยพ่อลูกจะมีความยากจะมีความลาบากจะไงก็ตามเพื่อความสุขของลูกทุกคน ถ้าสิ่งนั้นไม่เกินพิสัยพ่อพร้อมจะทําทุกอย่างแม้ร่างกายจะ ย, ยกไม่ขึ้นก็จะพร้อมที่จะต่อสู้กับอันตรายของข้าอันตรายทางร่างกายอะไรถ้าไม่เกินวิสัยสิ่งนั้นพ่อจะทําเพื่อลกูกทั้งนี้พ่ออะไรเพราะว่าลูกของพ่อทุกคนเป็นคนดีมีความกตัญญูกะตะเวทีสงเคราะห์ช่วยพ่อโดยเหตุน า, นาประการ ถ้ายพันนากันก็หลายชั่วโมงมันก็ไม่จบความดีของลกูก <c oughs> เวลานี้ลูกตั้งใจฟังเสียงพ่อมีความรู้สึกว่ามีบางครั้งใจมันจะลอยไปภายนอกสักนิดหนึ่งแต่นั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ส่วนใหญ่ใจมารวมอยู่ที่เสียงของพ่อลูกบางคนอาจจะแปลกใจไหม แต่ความจริงลูกทุกคนไม่แปลกใจนอกจากคนอื่นที่พ่อรู้ก็เพราะว่าเห็นกระแสจิตจิตของลูกพอเห็นใครจะขาวจะเขียวจะแดงจะด่างจะดำยังไงพอเห็นพ่อทราบเป็นธรรมดาเราม่ยังมันยังไม่ถึงนิพนานเพีงยงใดเราเอาดีทุกอย่างไม่ได้ นั้นตามพระร บ, บรมราชโอบายของพระบาทสมเด็ดจใหญ่หัวว่าสมาธิจิตเมื่อเราทําสมาธิจิตจับรมณ์โดยเฉพาะมันก็จะรู้อาการขึ้นมาของข้าศึกคือข้าศึกของจิตก็คือหนึ่งราคะความรักโลภความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงเป็นต้นสุเป็นระเงาใหญ่ เมื่อวายของเขาจะมาท่าไหนเราก็รู้เราคอยระมัดระวงังถ้าเขาแย่เข้าประตูเราก็โจมตีก่อนอย่างน้อยที่สุดเราจะเผลอบ้างก่อ น, นิดหน่อยเท่านั้นเราอาจจะเพี่ยงพับกัเข้าเพี้ยงพรำกับข้าสิบแต่เราไม่ถึงตายข้อ น, นี้มีประมาณชั้นใด ใจของเราถ้าทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์คําว่าสมาธิก็ได้แก่ทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ์นั่นเองสติประวัติเกไว้ว่าเวลานี้เราจะทําอะไรเราจะคิดถึงเรื่องอะไรสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทําแล้วหรือย่างถูกต้องไหมนี่ถ้าเราวังระวังอยู่อย่างนี้ความเพรียงพร้ำกับค่าศึกทีกิเลสก็ไม่มี ถ้ออตอนนี้ไปจำมาในลูกนะนี่เป็นพระรมราชโชบายเอานี้กันเป็นพระราชดำรัิขามรั บ, บาสมเด็จจีหัวที่ทรงดำริจกพระเสหายในการจเจริญพระกรรมฐานเห็นไหมว่าพระองค์ในงานหนักแสนหนักบางครั้งพอพบท่านสงสารมากหรกละทรง ก็พักซีดเซียวสแสดงการเหน็ดเหนื่อยน้ำเสียงที่สแสดงะาุรเสียงที่ที่เปล่งออกมาก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็พร้อมที่จะทำงานทุกอย่างบางที่ไปมีพระราชภาระกิจกระโลงชนชาวไทยแต่เช้ากลับมาเย็นตอนกลางคืนก็มีแขกทั้งสองยามตีหนึ่งต้องคิดดู แล้วพระองค์ก็ทรงต้องเสน็นหนังสือต่างๆอีกก็่าจะได้หลับอาจจะเป็นเวลาตีสองน้ำมองกันดูแล้วคิดว่าพระองค์ไม่น่าจะมีเวลาที่จะเอาสมองที่ไหนมาวิจัยธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสมาสัพพุตเจ้าหรือว่าไม่น่าจะมีเวลาเจริญพระกรรมฐานคนถ้าลงฉลาดลูกรักงานทุกอย่างเป็นกรรมฐานหมด ตอนนี้ไปพ่อก็อยาของดเรื่องนี้พูดไปก็ยาวมากเพราะว่าพระราชาดำหลัดสั้นๆตีความหมายได้คุมคลุมพระไตรปิฎกสามปิฎกหมดเลยจะไม่นนดุกนะท่านพูดน้อยแต่มีความหมายยาวเพราะมันได้ยกย่องไม่ได้ยกย่องแต่พระเจ้าอยู่หัวองค์เดียว เวลานี้ขราการพูน้อยผู้ใหญ่เด็กนักเรียนก็ปฏิบัติกันมากพ่อดีใจที่คนเป็นคนดีประเทศไทยเต็มไปด้วยความเรียกเกินตอนนี้มาใช้สติสมัญญาเอาละใช้ปัญญาด้วยช่วยกันใช้าเมื่อกี่นี้ที่เวลาที่ผ่านมาบุคคลสำคัญที่ยกขึ้นบร็นพระเอกนางเอกก็คือคุณแผงกับโบครี คนสองคนนี้ดีด้วยกันสองฝ่ายยกหางไหมคำว่าดีก็ตามประวัติพี่เขาเขียนไว้แล้วจะเป็นหนังสืออันเล่งเขาช่างรู้สึกว่าคุณแผนเนี่ยเป็นคนเก่งทำงานกับประเทศชาติมากแต่บบครีก็เป็นคนดีสร้างความชื่นใจแก่คุณแผนเมื่อเวลาเนหน็ดเหนื่อยกลับเข้ามา จริยาใดาที่เป็นหน้าที่ของคณลสตรีที่จะปฏิบัติกับสามีโบครี่ทำทุกอย่างความตัวครี่สมัยนั้นกับโบครี่สมัยนี้ก็เหมือนกันพ่อคิดว่าถ้าบังเอิญพ่อจะเป็นคนแผนพ่อมีโบครี่คนเดียวก็ชื่นใจมากแล้วและได้ว่าสมัยนั้นคนแผนถ้าเป็นคนใจดี มีจิตเมตตาไม่ปฏิเสธความปรารถนาดีของหญิงท่าไหลายฉะนั้นกำลังใจของท่านก็ต้องหวานไปเหมือนกับแห่และอ่อนคลุมคนที่หวังดีเข้าไว้ไปนั้นว่าคนสองคนที่พูดกันนี้หนึ่งบัวขี่เป็นคนสตรีที่ดีมากมีระเบียบประเพณีมากสมัยโน้นผู <c> ้ <oughs> หญิงเขาต้องเก็บตัว นักศึษาศักดิ์สิทผู้สตรีผู้ชายฝ่ายผู้ชายกด็ดีทำประโยชน์กับประเทศชาติมีชื่อเสียงโด่งดังมากใน ต, ตอน้ทยถึงกับเป็นพรยาและเจ้าพรยาจะเป็นอะไรก็ช่างนุรักเวลานี้กระดูกของคนสองคนอยู่ที่ไหนไม่มีแล้วใช่ไหมโลกนี้เป็นนิจจังหรือเป็ น, นิจจังโลกรักะไร นนึกถึงคนสองคนแล้วก็นึกถึงตัวของเราเองว่าสภาพของท่านไปยังไงสภาพของเราก็ไปอย่างนั้นพ่อพูดไปถึงตอนไหนขอให้ลูกทั้งหลายโปรดเอาใจของลูกจอดจอดจอด่อไปตามเสียงใช้ทิพย์ุัญญายนและมโนยิทธิติดตามกระแสเสียงไปด้วย จิตจะได้มีความสุขเวลานี้พูดถึงมุณแผนกับบครีเราก็ใช้จิตดูว่าบัวครีอยู่ที่ไหนคุแผนอยู่ที่ไหนบัวครีเธอยือนยันว่าเธอเป็นลุกเทวดาแต่ว่ามีรสมีกายวิมานสวยมากใหญ่มากกว่าเทวดาองค์อื่นรสมีกายก็สว่างมากเธอยอมรับว่าเธอเป็นพระอริยเจ้า ในฐานะที่เธอเป็นเทวดาแล้วศึกษาปฏิบัติต่อแต่ว่าพ่อคุนแผนจอมเจ้าชู้ได้ไปอยู่คุ้มไหนกันแน่เราไม่แน่นักเพราลูกทุกคนเอาจิตติดตามไปตามไปแล้วเห็นแล้วก็ถอยหลังไปว่าคนสองคนเนี่ยเกิดชาติเดียวเท่านั้นแล้วเกิดมาแล้วหลายๆชาติ แต่ในชาติต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพัดพราดจ้ของนักของชอบใจความเกิดมันดีแล้วโลกเรายัางจะเกิดกันต่อไปเลยปียโตชายเตโสโกโปิยโตชายเตพยงังเั้งกลาวว่าความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรัก การจะตายครั้งหนึ่งเราจะตายพ่อจะตายแม่จะตายพี่จะตายน้องจะตายจ ะ, ยจะร้องพัดพ้าจากกันถ้าเราตัดกำลังใจไม่ได้เรายังสู้กับกิเลสอยู่มันก็เสียวใจสุดเสียวจิตใจเสียวหวาดเสียวนิวว่าจิตใจสะดุ้งนิวว่ามีความเศร้าโศกเสียใจที่คนที่เป็นที่รักของที่เป็นที่รักจะต้องจากกันไป ถ้าเขาไม่จากเราเราก็จากเขาด้วยอำนาจของความตายขุนแผนรบเพื่อไทยให้ทรงอยู่แต่เวลานี้พ่อชอมโตขุนแผนก็ไม่มีตัวเสียแล้วมาตอนนี้จุดนี้เรานั่งอยู่กับบัวครีค <c oughs> บรัวครีก็เป็นคนดีให้กำลังใจกับขุนแผนไม่ทับใหญ่แต่เวลานี้บัวครีค ยาใจเจ้าประโยชน์ที่ไหนร่างกายของเจ้าไปหมกอยู่ที่ไหนเหลือแต่กระแสใจที่เรียกกว่าจิตเนือที่สมานในกายเอา้าเทวดาก็ร้องไห้เดเลยวนีเทวดาร้องไห้เป็ น, นะจ๊ะเห็นโบกี้เช็ดน้ำตาว่ายัางไงนึกถึงความหลังจะมีประโยชน์อะไร นึกถึงความหลังว่าเจอาเธอบอกว่านึกถึงความหลังที่พูดแบบนี้บอกทีร้องที่น้ําตาไหลมีน้ําตาสแสดงมันมีน้ําตาดั้นน้าตาไม่มีมอำเหมือนภาพภาพที่ไปแตะที่ตาทําเหมือนน้าตาจะไหลไม่ไดีเกยแต่ได้บอกว่าที่ทําอย่างนี้ไม่เดี๋้วเรห้เสียใจ เว่าเส้นด้ายความดีเมื่อขณะที่มีชีวิตอยู่นั้สร้างความดีน้อยไปไม่เหมือนกับพวกพี่พี่น้องน้องที่นั่งอยู่ที่นี่เท่ว่าอย่างนั้นพี่พี่น้องน้องที่นั่งอยู่ที่นี่ได้กําไรมากโอ้โบอกเกลี่อยทำไมจึงว่าอย่างนั้นเล่าเวลานี้เธอเป็นเทวดา ลนเธอก็เป็นพระอริยเจ้าพวกพี่พี่น้องน้อเน่เสียทีเมื่อเธอมากเพราะว่าเธอจะก้าวเข้าไปสู่นิพพานได้โดยง่ายเพราะพารักิจของเทว ด, ดาไม่มีเธอยกมือไหว้เห็นไหมลูก <c oughs> ยกมือพนมมือบอกสิิงนั่นจริงแต่ได้ความดีแท้ทำได้เหมือนพี่พี่น้องนองที่นั่งนั่งอยู่ที่ ท, ที่นี่ปัณ น, นี้ก็ปฏิพ า, านแล้วอ๋ออย่างนั้นเลย เร า, าเป็นอันว่าขอจบตอนนี้แถอนะไม่เป็นไรือถ้าอย่างนั้นก็ดูใจดูใจพี่ใจน้องที่ว่ากับใจของอกคลี่นี่เป็นยังไงจ้ะเธอชี้ให้ดูใจแะสะจิตที่ผู้มาทองคนทุกคนรู้สึกว่าเวลานี้ใจสะอาดจะกินเลตมีความผ่องใสมาก แม้แต่เธอก็ชี้ให้ดูใจคนเธอน่ารักใจผ่องใสเป็นพิเศษว่ายัางไงสั่งพี่สั่งน้องไหมเดี๋ยวเทพหน้านี้มันจะหมดเกลืก่อนละรานมาตั้งคึ่งชั่วโมงแล้วสั่งพี่สั่งน้องหรือเปล่าอย่าขอเรือเลยเรื่องนี้ไปสักหน่อยเอาสั่งเลยสั่งว่าขอพี่บ้างน้องบ้างที่มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคน ขอยตั้งใจบำเพ็ญบุญอย่าสนใจกับกายของเราและอย่าสนใจกับกายของคนอื่นอย่าสนใจกับทรัพย์สินทั้งหลายให้มากเกินไปดูร่างกายของโบครีดูร่างกายของคนแผนนที่เป็นในคนเดียวกันเวลานี้ร่างกายนั้นไม่มีความหมายส่วนที่มีความสาคัญก็คือใจขอให้จำระใจให้สะอาดแล้จะมีความสุข ขพราเธอบอกต่อไปว่าทุกคนถ้าไม่ประมาทตายแล้วมีความสุขงที่สุดแต่ก็มีบางคนยังเรงลังเลอยู่จิตใจยังวนอยู่คอยตั้งอารมณ์ให้ตรงพระนิพพานแล้วพยายามทำลายกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตประหารตัดสังนโยสิบรายการให้ได้พระนิพพานจะมีความหมาย ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเรื่บอกไม่มีอะไรแล้วท่า น, นี้จะจบ่ะเพร า, า ง, งั้นว่าหน้าเสียดายชีวิตเวลานั้นคิดน้อยไปถ้ามีโอกาสอย่างพี่ๆน้องๆทั้งหลายนี่โบครีจะดีกว่านี้มากเอาขอขอบใจนะเพราะดีเทพหน้านี้หมดไปพอวเดียวเดี๋ยวเล่าอะไรฟังหน่อยนะเพราะรู้เรื่องเก่าๆเอาสาหรับหน้านี้แล้วลูกนะ ไม่ได้ว่าพักกันไปชั่วโมงนี้ก็ถือเป็นชั่วโมงจบเวลามันจะสามโมงเย็นอยู่แล้วนะก็เดี๋ยวจะได้ไปอ้ขอพักนี้หนึ่งพลิกเทพไปว่าค่าพลิกเทหน้าใหม่